เริ่มเลยไหมไม่มีพิธีกรรมพิธีกรรมก็ดีเหมือนกันนะแต่ไม่มีเราดีกว่าอย่น้อยมัก็เป็นเปลือกต้นไม้ไม่มีเปลือกก็อยู่ยากต้นไม้มีแต่เปลือกก็อยู่ไม่ได้ธรรมะก็มีพิธีกรรมมีอะไรหล่อเลี้ยงคนที่อินทรียอ่อนอ่อนพวกเราใส่เสื้ออริยะต้องอินทรีย์แข็ง อริยะพูดเจริญอยากเจริญจะต้องทำเอาเองอยู่ๆเจริญไม่ได้ทุกสิ่งเป็นไปตามเหตุงั้นเราอยากเป็นอริยะตัวจริงไม่ใช่เป็นแต่เสื้อเราต้องทำเหตุของความเป็นพระอริยะทางเดินไปสู่ความเป็นพระอริยะท่านชื่อเอกายนามก ทางสายเอกทางสายเดียวไม่มีทางอื่นยิ่งกว่านี้ทางสายเอกทางสายเดียวเพื่อจะไปสู่ความเป็นพระอริยะบางทีเอกกายันมากก็แปลอย่างอื่นได้อีกนะแปลว่าทางที่ไปครั้งเดียวไปเราไม่ย้อนกลับไม่เหมือนโลกทางในโลกนี่ไปแล้วกลับไปกลับมาจเจริญแล้วเสื่อมจเจริญแล้วเสื่อม แต่ทางไปสู่ความเป็นพระริยานะไปแล้วไม่มีกลับนะไม่ถอยหลังไปครั้งเดียวไปคนเดียวจะไปสู่ความเป็นพระริยะมันเป็นทางเฉพาะตัวไปคนเดียวไปกระโตกระเตงคนอื่นไปด้วยก็เสียเวลานะถ่วงไปไม่ได้อย่างถ้าเดินสายพระโพธิสัตว์นะจะหอบผิวคนไปเยอะๆถำตัวโ พ, พธิสัตว์เลยยังไม่บรรลุ น, นวันนี้เราจะมาพูดกันเรื่องเส้นทางไปสู่ความเป็นพระอริยะเส้นทางนี้ไม่มีใครสอนมีแต่พระพุทธเจ้าพระองค์เดียวท่านบอกว่าสติปัฏฐานนะเป็นทางสายเอกสายเดียวนะไปสู่ความบริสุทธิ์หลุดพ้นไม่มีที่อื่นหรอกคนในโลกนี้ไม่มีสตินะมีแต่ความขาดสติตลอดเวลาชอบอวดกันว่ามีสตินะ บางทีตามข้าวถานนก็ให้ขับรถอย่ามีสติอะไรงี้ยไม่มีหรอกคนในร่มพูดแต่คำว่าสติสติไม่มีมีแต่ความเผลอความลืมเนื้อลืมตัวลืมกายลืมใจเรารู้สึกตัวไม่เป็นจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเนื้อขาสตินี่ถ้าสติมันก็ยังมีหลายระดับนะถ้าจิตใจเราเป็นบุญเป็นกุศลมันก็มีสติเหมือนกัน อยากฟังเทศก็มีสตินะคนไม่มีสติมั้ไม่อยากฟังเทศจิตเป็นอกุศลถ้าเมื่อไร่มีสติแนละ่นจิตก็เป็นกุศลแต่จิตที่เป็นกุศ ล, ศลมันมีสองชนิดกุศลธรรมดาธรรมดากับกุศลที่เจริญปัญญาได้งั้นมหากุศลจิตเลยมีสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งประกอบด้วยปัญญากลุ่มหนึ่งไม่มีปัญญากลุ่มที่จะเจริญปัญญาเนี่ยต้องมาทําสติที่เรียกว่าสติปัฏฐาน สติปัฏฐานไม่เหมือนสติธรรมดาสติปัฏฐานหมายถึงว่าเป็นสติที่รู้ในรูปในนามในกายในใจของเรานี้อย่างกายานุปัสสนาก็เป็นเรื่องการรู้รูปที่มาประกอบเป็นเป็นร่างกายของเรานี้เมนานุปัสสนาก็เป็นการรู้นามธรรมาในส่วนของความรู้สึกสุขทุกข์จิตานุปัสสนาก็เป็นรู้รู้นามธรรมาในส่วนของความปรุงแต่งของจิต ธรรมานุปนะัสสนามีทั้งรูปธรรม ท, ทั้งนามธรรมาอย่างพวกนิวรณนะ์ก็เป็นนามธรรมาขันห้านะก็มีทั้งรูปธรรม ท, ทั้งนามธรรมอย่างนี้ในอริยสัจมีทั้งรูปธรรม ท, ทั้งนามธรรมรวมความรูสติปัฏฐานนะเป็นสติที่ระลึกนะไปในกายระลึกไปในใจระลึกไปในรูปในนามนี่เองอยากเป็นพระอริยเจ้าก็ต้องมามีสติ ระลึกรู้อยู่ในกายในใจของเรานี้ยถ้าจิตใจหนีออกไปจากกายจากใจนี้ก็เป็นพระอริยะไม่ได้มันไม่ตัดตรงเข้ามาที่จะสู่ความเป็นพระอริยบุคคลพระอริยะบุคคลขั้นแรกเลยคือพระโสดาบันพวกเราต้องตั้งเป้าให้ได้ตั้งไว้ก่อนชาตินี้อย่างน้อยต้องเป็นพระโสดาบันให้ได้ไม่ถึงขนาดตั้งเป้าเป็นพระอราหารรนะันต์แล้วเนาะเอาให้ได้โสดาเราก็ตั้งเป้าใหม่ ตั้งเป้าพระอราหันต์มันไกลท้อแท้ใจทำไปเดี๋ย ว, ว่าโอ้เมื่อไหร่จะบรรลุสักทีไม่มีวันบรรลุหรอกใจมันไม่ถึงอยากเป็นพระริยะไม่เป็นหรอกต้องลงมือปฏิบัตินะมาเรียนรู้ความจริงของกายของใจไปพระโสดาบัตขั้นแรกต้องเป็นพระโสดาบัตให้ได้พระโสดาบัตคือท่านผู้เห็นความจริงแล้วนะว่าขันหานี้กายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเรา ไม่มีตัวเราในกายในใจนี้ไม่มีตัวเราในธาตุในขันหอไม่ได้ยินไม่ไดเตียไปลรอไม่ได้ยินเอาคราวนี้คงได้ยินแล้วเสียงดังกว่าเก่าเอาให้จิตใจกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวก่อ น, นะจิตใจหนีไปหมดแล้วเห็นไหมเนื้วจิตกระเจิดกระเจิงก็ไม่รู้กายไม่รู้ใจสังเกตไหมเรามีร่างกาย แต่พอจิตใจเราก็เจอกระเจิงไปเราลืมร่างกายเรามีจิตใจนะแตจิตใจหนีไปคิดไปนึกไปปลงไปแต่งเราก็ลืมจิตใจของตัวเองถ้าลืมกายลืมใจนะั้ไม่สามารถมาเรียนรู้ความจริงของกายของใจได้เมื่อไม่ได้เรียนรู้ความจริงของกายของใจก็ไม่มีวันเห็นหรอกว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราเราต้องมาเรียนให้เห็นนะว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราตัวเราไม่มีในกายในใจนี้ตัวเราไม่มีในที่ไหนเลย พระโสดาบันเนี่ยท่านเห็นอันนี้แล้วท่านก็ไม่มีความลังเลสงสัยแล้วรู้เลยว่าคําสอนของพระพุทธเจ้ามีจริงๆนะสามารถทําคนธรรมดาคนโง่ๆนะให้เป็นอริยบุคคลขึ้นมาได้ว่าธรรมามีของจริงพระพุทธเจ้าที่เอาธรรมามาสอนนั่นก็เป็นของจริงด้วยพระสงค์มีจริงด้วยตัวเองประจักษ์กับตัวเองก็ะจะเชื่อมั่นแน่นแฟ้นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่ลังเลสงสัยในวิธีปฏิบัตินะ การปฏิบัติจริงๆต้องมาเจริญสติปัฏฐานมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงรู้ด้วยจิตตั้งมั่นเป็นกลางเพราะเราต้องมาค่อยๆพัฒนาพูดง่ายแต่ทํายากที่ทํายากเพราะไม่ค่อยอยากทำํำคนอยากเป็นพระริยะเนี่ยมีมากนะแต่คนที่เดินในทางของพระริยะเนี่ยหายากชอบเดินในทางของมารไปเกือบหมดะตามใจกิเลสมันวันหนึง่งลองดูใจเราสิ จะอยากปฏิบัติมีสักกี่นาทีบางทีก็ตั้งใจดีนะจะนั่งสมาธิสมชั่วโมงนั่งไปสานาทีโดยนาฬิกาไปสามรอบแล้วนะก็ได้เรื่องหรอกไม่ต้องเด็ดเดี่ยวนะงั้นเราต้องมาดูมาเรียนรู้ความจริงของกายของใจให้ได้นี่คือทางเดินและสติปัฏฐานให้จะเป็นสอนให้เราเห็นความจริงของกายของใจให้เอากายหรือเอาใจของเรานี่แหละนะ มาเป็นเครื่องอยู่ของจิตเครื่องอยู่ของจิตหมายถึงเป็นเครื่องระลึกบ่อยๆเครื่องระลรึก ข, ของสติบ่อยๆคนไหนรักสุขรักสบายรักสวยรักงามนะเอากายนี่แหละมาเป็นฐานที่ตั้งของสติระลึกรู้กายบ่อยๆรักสุขรักสบายรักสวยรักงามนะมาดูกายให้มากทำไมต้องดูกายเพราะกายเนี่ยจะสอนให้เห็นความจริงว่าร่างกายนี้ไม่สุขไม่สบายไม่สวยไม่งาม เป็นของไม่สุขไม่สบายไม่สวยไม่งามถ้าคนไหนเป็นคนช่างคิดให้ดูจิต ด, ดูใจไปงั้นเวลาหลวงพ่อสอนกรรมฐ า, านนะเนี่ยมีนักศึกษาปริญญาเอกของมหาจุฬาเขาศึกษาสิ่งที่หลวงพ่อสอนว่าคนได้จะงงว่าหลวงพ่อสอนอะไรหลวงพ่อไม่ได้สอนอย่างนั้นไม่ได้สอนอนี้แต่สอนหมดเลยสอนครอบคลุมการปฏิบัติในสถิติฐานเนี่ยทั้งหมดเลยแล้วแต่จริตนิสัยของพวกเราแต่ละคน คนไหนรักสุขรักสบายรักสวย ร, ร, รักงามนะดูกายให้มากไว้เอากายนี่แหละเป็นที่ตั้งของสติระลึกรู้กายบ่อยๆคนไหนเป็นคนช่างคิดคิดมากให้ดูจิตใจไว้เพราะเวลาเราคิดทุกคราวที่เราคิดนะใจเราจะแว่งไปแฝงมาเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็ฟูเดี๋ยวก็แฟบเนี่ยดูเราไปที่ใจมันจะเห็นเนี่ยใจมีแต่ความเปลี่ยนแปลงงั้นพวกคิดมาก ให้มาดูจิต ด, ดูใจจะเห็นเลยเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายส่วนพวกรักสุขรักสบายรักสวยรักงามเอากายเป็นวิหารธรรมไว้งั้นในเบื้องต้นของสติปัฏฐานงานแรกที่พวกเราจะต้องทําก็คือหาบ้านให้จิตอยู่หาเครื่องอยู่ให้จิตอยู่เลือกดูตามจริยนิสัยของเราเองเราเป็นคนชนิดไหนรักสวยรักงามมากนะวันวันหนึ่ง สองกระจบตลอดเวลาเลยนะเดินผ่านกระจกเป็นจะต้องชมเลืองสวยอย่างสวยอย่างเนี่ยหางตาตกมาหน่อยละเห็นะทําอย่างโน้นทำอย่างนี้พวกเนี้ยดุกกาให้มากเอากลายเป็นบ้านเป็นวิหารธรรมนะงั้นงานแรกในสติปัฏฐานนะก็คือหาเครื่องอยู่ให้จิตอยู่เรียกว่าวิหารธรรมสาบาลีเขาบอกกายเยกายานุปัสสีวิหารติมีวิหารติวิหารธรรม นี่มันมีคําว่ากายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมทำไมต้องมีคําว่าในๆด้วยนอกๆไม่มีเหรอือคําว่าในไม่ได้แปลว่าข้างในนะคำว่าในเนี่ยไม่ได้แปลว่าข้างในคําว่าในเนี่ยหมายถึงว่าศึกษาส่วนย่อยในส่วนใหญ่สุ่มตัวอย่างมาเรียนนะไม่จาเป็นต้องเรียนกายทุกอย่างเลยรู้กายวิภาคหมดเลยทุกสิ่งทุกอย่างนะอย่างหมอบางคนก็เรียนทั้งตัวเลยนะ รู้หมดเลยแต่ลดละอะไรไม่ได้อะท่านสอนให้มาเรียนน้อยๆไม่ต้องเรียนเยอะหสุ่มตัวอย่างมาเรียนถ้าเข้าใจส่วนน้อยแล้วจะเข้าใจทั้งหมดเนี่ยหลักของการปฏิบัตินะไม่จําเป็นต้องเรียนอะไรเยอะแยะเลยถ้ารู้บางอย่างแล้วก็จะรู้ทั้งหมดเรียกว่าเรียนกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมสิ่งที่เรียกว่ากายพีั้งเยอะแยะไม่ต้องเรียนทั้งหมด คนไหนถนัดรู้ลมหายใจเข้ามาดูรู้ลมหายใจลงไปเห็นในร่างกายกําลังหายใจออกร่างกายกําลังหายใจเข้าวันๆหนึ่งร่างกายก็มี2ชนิดเท่านั้นเองคือร่างกายที่หายใจออกกับร่างกายที่หายใจเข้าเห็นไหมพูดใหเจ้าท่านเลือกตัวอย่างท่านสุ่มตัวอย่างมาให้เรียนนะแต่ตัวอย่างของท่านนี่อาจฉริยะจริงๆเลยครอบคลุมหมดเลยหรือร่างกายยืนร่างกายเดินร่างกายนั่งร่างกายนอนวันๆมันก็มีอยู่แค่เนี้ย ใร่างกายกระโดดร่างกายยืนขาเดียวเขย่งเกงกอยอะไรนะันมันเป็นอิริยาบถพิเศษนานๆานมีทีงันส่วนใหญ่เราก็อยู่กับยืนเดินนั่งนอนนี่เป็นปกติสังเกตไหมว่าว่าเราก็ต้องอยู่ในอิริยาบถใดอิริยาบถหนึ่งทั้งวันถ้าเราเห็นร่างกายที่หายใจออกไม่ใช่ตัวเราเห็นร่างกายที่หายใจเข้าไม่ใช่ตัวเราเราจะเห็นร่างกายทั้งหมดไม่ใช่ตัวเรา ถ้าเราเห็นร่างกายที่ยืนอยู่ไม่ใช่ตัวเราร่างกายที่นั่งร่างกายที่นอนะร่างกายที่เดินไม่ใช่ตัวเราเลยร่างกายทั้งหมดนี้จะไม่ใช่ตัวเรางนั้นการเรียนเนี้จะซุบมาเรียนเป็นบางด้านเท่านั้นเองนี่แหละเรียกว่ากายในกายบางคนไปแปลกายในกายว่ากายทิพย์เรียนกายเนื้อไม่ได้ยังไม่ใช่กายในกายต้องไปเรียนเรื่องกายทิพย์นี่เพี้ยนนะไม่ใช่คําสอนของพระเจ้าจิตได้จิตเป็นยังไง จิตในจิตนะจิตมีทั้งสารพัดจิตนะจิตที่ปุถุชนมีมีดวง8ปดชนิดแต่คนที่ไม่ได้ทรงฌานเนี่ยตัดออกไปหลายสิบชนิดเลยจิตของคนธรรมดานี่มีไม่มากนะเรามาสังเกตดูเวลาปฏิบัติเนี่ยเราไม่ต้องรู้จักจิตทุกชนิดคนไหนขี้โลภวันวันมีแต่ความอยากอยากตลอดเวลา เดี๋ยวอยากดูเดี๋ยวอยากฟังอยากได้กลิน่นอยากได้รสอยากได้สัมผัสอยากชิดอยากนึกอยากปรุงอยากแต่งนี่พอคีโลบคนคี้โลบนะมาดูจิตโลกจิตมีราคคะให้รู้ว่ามีราคคะนี่ท่านสอนกรรมฐานเนี่ยท่านสอนเป็นคู่คู่เวลาดูจิตดูใจดูกันเป็นคู่คู่ดูกายก็เป็นคู่นะเช่นหายใจออกกับหายใจเข้าเนหะ็นไหมเป็นคู่ ทำไมต้องเรียนเป็นคู่คู่เรียนเป็นคู่คู่เพื่อจะได้เห็นว่ามันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเห็นหายใจออกแล้วก็หายใจเข้ายืนเดินนั่งนอนก็ถือว่าเป็นคู่มี4ี่อย่างเนะมตนาก็ถือว่าเป็นคู่มีสุขมีทุกข์มีเฉยเฉยมีสามอย่างก็ถือว่าเป็นคู่เลขคู่นี้ไม่ใช่เป็นตัวเลขคู่คาว่าคู่นี้หมายถึงว่ามีสิ่งที่เทียบเคียงได้ pickle. เป็นสิ่งที่เทียบเคียงได้เพื่อจะได้เห็นว่าที่จริงแล้วสภาวะธรรมนั้นพลิกไปพลิกมาตลอดเวลา ยังดูกายล้วเห็นกายหายใจออกกายหายใจเข้าเห็นไหมกายยืนเดินนั่งนอนนี่เป็นเซตหนึ่งดูความสุขความทุกข์ก็เซตหนึ่งถ้ามาดูกิเลสในจิตในใจก็ดูเป็นเซตเหมือนกันคนไหนขี้โรคดูจิตโลคกับจิตที่ไม่โลคทั้งวันจิตมี2อชนิดเองสําหรับคนขี้โลคคือจิตที่โลคกับจิตที่ไม่โลคจิตที่ไม่โลคนั้นอาจจะเป็นจิตที่เป็นกุศลก็ได้เป็นจิตที่โกรธก็ได้เป็นจิตที่หลงก็ได้ แต่รวมความแล้วจิตมีหลายชนิดนั่นเองอย่างน้อยมี2งันให้เราคอยรู้ทันจิตโลภขึ้นมาพอรู้ทันนะความโลภมันจะหายไปมันจะกลายเป็นจิตไม่โลภจิตไม่โลภอยู่แป๊บเดียวนะพอตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ใหม่นะจิตโลภกเ็เกิด อ, อีกแล้วจิตไม่โลภหายไปเกิดจิตโลภขึ้นแทนพระสติรู้ทันจิตโลภในจิตโลภหายไปเกิดจิตไม่โลภขึ้นแทนวันวันเนี่ยพลิกไปพลิกมาอยู่อย่างนี้ทั้งวันเลยคนไหนขี้โมโหดูจิตโกรธ ทั้งวันจิตมีสองชนิดเองจิตโกรธกับจิตไม่โกรธจิตที่ไม่โกรธก็อาจจะเป็นจิตที่เป็นกุศลก็ได้เป็นจิตโลภ ก, ก็ได้เป็นจิตหลงเฉยเฉยยังไม่ทันจะโกรธก็ได้ mm. ทั้งวันนั่นมันจะมีคนไหนขี้มโมโหก็ดูไปแล้วโกรธอีกแล้วอหายไปละอ้วโกรธอีกแล้วหายไปแล้ ว, าาล ว, าาลวการที่เราดูเป็นคู่คู่เนี่ยในที่สุดปัญญามันจะเกิดมันจะรู้ว่าทุกอย่างเนี่ยอยู่ชั่วคราวอย่างเวลาบางคน ติดใจในความสุขความสบายมากนะดูจิตใจที่มีความสุขความสบายไปมันสบายจริงไหมมันสุขจริงไหมความสุขเกิดขึ้นมาเรามีสติรู้ทันความสุขอยู่ประเดี๋ยวเดียวความสุขก็หายไปแล้วความทุกข์ล่ะความทุกข์เกิดขึ้นมารู้เฉยๆนะอย่าไปเกลียดมันถ้ายิ่งเกลียดมันยิ่งไม่หายเราเติมเชื้อของความทุกข์เข้าไปด้วยถ้ารู้อย่างเป็นกลางความทุกข์เกิดขึ้นรู้อย่างเป็นกลางความทุกข์ก็หายความทุกข์ทางใจเนี่ยเกิดร่วมกับจิตที่มีโทสะเท่านั้น ความทุกข์ทางใจเกิดร่วมกับจิตที่มีโทสะเท่านั้นถ้าจิตไม่มีโทสะในทณะนั้นจิตไม่ทุกข์แต่ความสุขเนี่ยเกิดกับจิตที่เป็นกุศลก็ได้จิตโลภ ก, ก็ได้เกิดนะเราคอยดูความเปลี่ยนแปลงของตัวไปเรื่อยคนไหนโลภมากก็ดูจิตเดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็ไม่โลภคนไหนชี้มโมโหจิตโกรธเดี๋ยวก็ไม่โกรธ คนไหนฟุ้งซ่านมากก็ค่อยดูไปจิตฟุ้งซ่านเดี๋ยวจิตไม่ค่อยจะฟุ้งซ่านเดี๋ยวก็สงบพมันเดี๋ยวก็ฟุง้งเดี๋ยวก็สงบนะดูอย่างนี้ก็ได้การปฏิบัติจริงๆไม่ยากอะไรนะมีเครื่องอยู่ที่เหมาะกับตัวเองสักอย่างหนึ่งยาวหลายอย่างคนหลายบ้านไม่ดีบ้านควรจะมีหลังเดียวนะอยู่บ้านหลายหลังอ็หลหลงหล ง, ลงไปเรื่อนยะมีบ้านหลังเดียวนี่แหละจะดูกายมันหายใจออกให้ใจเข้าดูมเรื่อยไปนะ ดูกายมันยืนเดินนั่งนอนก็ดูมันเรื่อยไปจะดูความสุขความทุกข์ในกายก็ดูมันเรื่อยไปจะดูความสุขความทุกข์ความเฉยเฉยในใจก็ดูมันเรื่อยไปจะดูกุศลที่เกิดดับก็ได้ดูอกุศลที่เกิดดับในใจก็ได้ดูมันเรื่อยเรื่อยไปการปฏิบัตินี่เราต้องรู้อย่างหนึ่งว่าเราไม่ได้ทำเพื่อสนองกิเลสเราทาเพื่อจะต่อสู้เอาชนะกิเลสงั้นการปฏิบัติเนี่ยท่านจะสอนนะเริ่มจากกายเยกายานุปัสสีวิหารติ มีกายในกายเป็นวิหารธรรมนะวิหารธรรมอย่างที่หลวงพ่อบรรยายมาเนี่ยเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมเป็นวิหารธรรมนะอาตาปีสัมปชาญโสติมาอาตาปีคือมีความเพียรแผดเผากิเลสปฏิบัติไม่ใช่ปฏิบัติสนองกิเลสงื่อลงมือเดินจงกรมแนละนึกเมื่อไหร่จะนิพพานสักทีเมื่อไหร่จะเป็นพระอรหันต์สัทีไอ้นั้นพอปฏิบัติหนะักกิเลสหนังไม่ถลอกเลยกิเลสหนังหนาขึ้นเรื่อย ปฏิบัติต้องทําให้กิเลสเล่าร้อนนะไม่ใช่ปฏิบัติตามใจกิเลสมันแต่บางคนก็เจ้าเล่ห์นะหลวงพ่อพูดอย่างนี้อยากปฏิบัติโอ้ความอยากไม่ดีนอนเลยอย่างนี้โอ้ตัวรักตัวเล่ตัวเลสนะอย่างนั้นใช้ไม่ได้หรอกเรียกว่าปัญญาเนี่ยไม่เท่าทันนะถูกกิเลสเอาไปกินแล้วปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่เพื่อสนองกิเลสมัแต่ปฏิบัติเพื่อวันหนึ่งจะต้องชนะกิเลสให้ได้ วิธ so so so ีท so ี่จะชนะเนี่ยชนะด้วยสติชนะด้วยปัญญาสู <metal api> ้ด้วยสติก็ได <te> ้ส <metal> ู้ด้วยสมาธิก็ได้สู้ด้วยปัญญาก็ได้แต่ชนะเด็ดขาดเนี่ยชนะด้วยปัญญาชนะด้วยสติก็ชั่วขณะกิเลสเกิดเรารู้ทันกิเลสก็ดับเป็นขณะขณะไปนะผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะเป็นขณะขณะไปเราชนะด้วยสมาธิก็อยู่ด้วยนานหน่อยตราบที่กําลังของสมาธิยังอยู่ยังคิดมีราคาเจริญอสุภะไปด้วย กำลังของอาสุภายังอยู่ราคาก็ไม่โผล่ขึ้นมาหมดกำลังของอาสุภาราคาก็โผล่ขึ้นมาโกรธอยู่น ะ, จะเจริญเมตตาแปกำลังของเมตตายัางอยู่ก็ไม่โกรธกำลังของสมาธิเมตตาสมาธิดับไปเมื่อไร่ความโกรธก็ขึ้นมาอีกแต่ก็ยังอยู่นานกว่าสติสตินะั้นอยู่เป็นขณะขณะถ้าข่มกิเลสไว้ด้วยสมาธิก็อยู่ได้นานหน่อยแต่ไม่เกิน7วันนี่ต้องเสื่อมสมาธิก็เป็นของเสื่อม ถ้าจัดการด้วยปัญญาเนี่ยถึงจะล้างกิเลสได้เด็ดขาดเพราะพุทธเจ้าถึงสอนบุคคลถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาถ้าไม่ได้สอนนะบุคคลถึงความบริสุทธิ์ด้วยการทําทานด้วยการรักษาศีลด้วยการบําเพ็ญข้อวัดต่างๆฉันเข้าในบาทพันละมื้ออะไรเนี้ยยังไม่ได้ทําให้ล้างกิเลสเด็ดขาดนัด้นเป็นข้อวัดที่ฝึกตัวเองให้เข้มแข็งต้องเข้าใจนะฉั้นบางทีไม่เข้าใจก็ทำอย่างนั้นจะสู้กิเลสอย่างนี้สู้กิเลส ตัวที่จะล้างกิเลสได้เด็ดขาดคือปัญญานะั้นบุคคลถึงความบริสุทธิ์ด้วยปัญญาปัญญาคืออะไรคือการเห็นแจ้งเห็นจริงว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเรากายนี้ใจนี้เป็นทุกข์ล้วนๆนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปนะถ้าเห็นใจนี้เป็นปัญญาถึงขีดสุดแล้วปัญญาระดับที่จะเป็นพระอรหันต์แลเพราะปัญญานี้มันแจ้งในรูปในนามนี่เอง คำว่าปัญญาที่เห็นแจ้งจริงๆเรื่องวิชานะวิชานี้ล้างอาวิชาความไม่รู้อริยศาสตร์รู้ความจริงของแท้อะไรของรูปของนํารู้แล้วมีแต่ทุกข์รู้ว่ามันมีแต่ทุกขนะ์นั้นมันจะไม่ยึดถืออีกต่อไปทุกวันนี้เรารักกายทำไมเรารักกายอยู่เพราะเราเห็นว่าร่างกายเนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างถ้าคนไม่มีสติปนะัญญานึกว่ามีแต่ความสุขนานๆทุกทีหนึ่ง ถ้ามีสติปัญญาขึ้นมาหน่อยหนึง่งก็จะเห็นเอเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์แต่ถ้าปัญญาแก่รอบนะจะเห็นในกายนี้มีแต่ทุกข์ล้วนๆนะมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยตอนที่ทุกข์น้อยเนี่ยคนที่ปัญญาไม่แก่กล้าไม่อยากใช้คาว่าปัญญาอ่อนนะปัญญายังไม่แก่กล้าก็นะาจะเห็นว่ามันเป็นความสุขนะแต่ถ้าปัญญามันแก่รอบเพื่อนจริงๆจะรู้ในนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม แต่ตอจะถึงขั้นปล่อยวางเราให้เห็นส่วนไม่มีเราล้างความเห็นผิดว่ามีตัวเราก่อนล้างความเห็นผิดก่อนแล้วล้างความยึดถือที่หลังคนละขั้นกันขั้นล้างความเห็นผิดเจอเป็นพระโสดาขั้งล้างความยึดถือได้เด็ดขาดเจะเป็นพระอระหันต์โคดันแต่วิธีปฏิบัติแบบเดียวกันนั่นแหละคือมีสติรู้กายรู้ใจของเรารู้รูป ร, รู้นามอย่างที่มันเป็นด้วยไปยังเห็นแต่ว่าเป็นไตรลักษณ์เนี่ยร่างกายที่หายใจออกเขาไม่เที่ยงร่างกายหายใจเข้าเขาไม่เที่ยง ร่างกายที่ยืนที่เดินที่นั่งที่นอนก็มีแต่ของไม่เที่ยงจิตใจที่เป็นสุขนะก็อยู่ชั่วคราวจิตใจที่เป็นทุกข์ก็อยู่ชั่วคราวจิตใจที่ดีเป็นกุศลก็อยู่ชั่วคราวจิตใจที่เป็นกิเลสจิตโลภจิตโกรธจิตหลงก็อยู่ชั่วคราวดูของจริงบ่อยๆแล้วใครดูของจริงบ่อยๆไม่ได้ดูเพราะอยากได้อยากดีอยากเป็นนะไม่ใช่ดูเพราะอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากได้อยากดีอยากเด่นอะไร น, นั้นทําด้วยกิเลสเรียนเพื่อให้รู้ความจริงเท่านั้นเองมาเรียนรู้ความจริงของกายของใจไปรู้มรเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้ น, หน่หนละไม่จําเป็นว่าต้องรู้เร็วรู้ช้าบางคนมันก็รู้เร็วบางคนก็รู้ช้าสั่งไม่ได้แต่ละคนสะสมมาไม่เหมือนกันบางคนเขาดูนิดนิดหน่อยหน่อไม่กี่เดือนเนาะเขาล้างความเห็นผิดไปละวบางคนดูตลอดชีวิตเลยใกล้ใกล้จะตายแล้วค่อยล้างความเห็นผิดได้เอาแน่ไม่ได้บางคนล้างไม่ได้เลย บางคนส่วนใหญ่เนี่ยจะพอกคูณความเห็นผิดด้วยซ้ำไปไม่ใช่ล้างนะแต่พอกคูณความเห็นผิดว่าตัวเรามีอยู่จริงๆลองไปสังเกตดูทุกสิ่งที่เราทำนะทุกสิ่งที่เราคิดทุกสิ่งที่เราพูดมันมีตัวเราซ่อนอยู่ส่วนใหญ่นะถ้าสติปัญญาไม่พอทําทุกสิ่งทุกอย่างเนี้ยกูทั้งนั้นเลยเป็นเราทําเราคิดเราพูดทำเพื่ออะไรเพื่อสนองความมีเราเพื่อรักษาความมีเราทั้งนั้นเลยทำไมต้องใส่เสื้ออย่างนี้เนี่ยต้องนั่งรถยี่ห้อนี้ นั่งแล้วมันภูมิใจตัวตนมันใหญ่ใหญ่ใหญ่ขึ้นไปทำไมต้องใช้มือถือยี่ห้อ น, นี้ต้องทันสมัยเรียทุกอย่างนะมันซ่อนตัวตนเอาเรียนเข้ามาให้เห็นความจริงในใกายในใจบ่อยๆมีอาตาปีก็แผดเผากิเลส น, นะไม่พรานาตามใจกิเลสมีสัมปชัญญะยัมีปัญญาเบื้องต้นรู้ว่าอะไรที่สมควรแก่เรากรรมฐานอะไรสมควรแก่เรา แล้ไม่หลงลืมกรรมฐ า, านนั้นนั้นซะนี่เรียกว่ามีสัมปชัญญะมีสติสติจะเป็นคนคอยรู้ทันร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกตัวที่คอยรู้ทันสภาวะนียเรียกว่าสติตัวที่เข้าใจความจริงของสภาวะเรียกว่าปัญญาเนี่ยอาศัยอย่างนี้แหละมีเครื่องอยู่นะมีความเพียรแผดเท้ากิเลสไม่จะตามใจกิเลสมีความรู้ตัวอยู่ว่า อะไรที่เราควรทำแล้วก็ตั้งใจทําไปไม่หลงลืมมีสติคอยรู้เท่าทันความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของกายของใจฟังแล้วเหมือนเยอะนะแต่ถ้าเราตามรู้ไปเรื่อยๆเช่นความสุขเกิดขึ้นรู้ทันความทุกข์เกิดขึ้นรู้ทันเราก็จะเห็นเลยความสุขก็อยู่ชั่วคราวแล้วหายความทุกข์อยู่ชั่วคราวแล้วหายหัดดูไปทีแรกเนี่ยพอมีความสุขขึ้นมาเราจะเห็นอีกความสุขเกิดนะใจยินดี ความทุกข์เกิดขึ้นใจไม่พอใจยินร้ายถ้าคนดีกุศลเกิดขึ้นก็ยินดีอาคุศลเกิดขึ้นก็ยินร้ายถ้าคนชั่วอยู่ต่างหากนะอาคุศลเกิดก็ยินดีได้ไม่จําเป็นว่าต้องยินร้า ย, าายากับอาคุศลหรอกื่อคนนะวันนี้จิตใจอยากใส่บาตรไม่เอาอันนี้จิตไม่ดีทําให้เสียทรัพย์ไม่ชอบจิตที่เป็นกุศลชอบจิตอาคุศลอย่างนี้ก็มันก็มีนะ เราคอยรู้ทันไม่ว่าสภาวะอะไรจะเกิดขึ้นในกายสภาวะอะไรเกิดขึ้นในใจเบื้องต้นให้รู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นในกายในใจก่อนจะร่างกายหายใจออกรู้สึกร่างกายหายใจเข้ารู้สึกอะไรเงี้ยความสุขเกิดขึ้นในใจรู้สึกความทุกข์เกิดขึ้นในใจรู้สึกนี่เรียกว่ารู้ด้วยสติต่อมาเราจะสติปัญญาเราแหลมคมขึ้นเราเห็นอีกเวลาความสุขเกิดขึ้นมันยินดีพอใจเวลาความทุกข์เกิดขึ้น มันยินร้ายมันไม่พอใจนะทำยังไงดีมันยินดียินร้ายจิตเป็นอนัตตาโยโยๆอย่าไปสั่งจิตว่าอย่ายินดีอย่ายินร้ายห้ามมันไม่ได้หรอกห้ามจิตไม่ได้เนี่ยสั่งไม่ได้จิตเป็นอนัตตาเราก็แค่ว่าจิตยินดีขึ้นมาให้รู้ทันจิตยินร้ายขึ้นมาให้รู้ทันทันทีที่เรารู้ทันความยินดีความยินดีจะดับทันทีที่รู้ทันความยินร้ายความยินร้ายจะดับ ความยินดีมันก็เป็นโลภะนะความยินร้ายมันกเป็นโทสะทันทีที่สติระลึกรู้เนี่ยมันจะดับอัตโนมัติงั้นเวลาที่เราภาวนานะสมมติววันนี้เรานั่งไปจิตมันฟุ้งซ่านเรารู้ว่ามีความฟุ้งซ่านเรารู้ว่าจิตฟุ้งซ่านนี่เรียกว่ามีสติขั้นต้นล้แล้วดูลึกซึ้งเลาไปอีกใจไม่ชอบเลยใจอยากสงบรู้ทันใจที่ไม่ชอบใจที่ไม่เป็นกลางนี่นะถ้าความไม่เป็นกลาง อยากสงบดับไปนะจิตสงบอัตโนมัติเลย<_ <C> _>ความโกรธเกิดขึ้นอยากหายโกรธว่าเราเคยเป็นไหมอยากหายโกรธเ น, <_ C _> นี่ยให้รู้ทันเลยจิตยินร้ายต่อความโกรธจิตยินร้ายต่อความโกรธพอเรารู้ทันนะความยินร้ายจะดับโดยอัตโนมัติจิตจะเป็นกลางต่อความโกรธเนืสภาวะต่างๆเมื่อเกิดขึ้นแล้วเบื้องต้นให้เรารู้สภาวะทั้งหลายที่เกิดขึ้นในกายในใจ พอชำนี้ชำนาญขึ้นเราก็จะเห็นต่อไปอีกเมื่อสภาวะอย่างนี้เกิดขึ้นจิตยินดีเมื่อสภาวะอย่างนี้เกิดขึ้นจิตยินร้ายพอรู้เท่าทันความยินดียินร้ายจะดับจิตก็จะรู้สภาวะทั้งหลายด้วยความเป็นกลางนี่กลางด้วยสตินะในการที่เราตามรู้ตามดูเนืองเนืองไปนะด้วยความเป็นกลางมันถอดถอนความยินดียินร้ายออกไปแล้ว จิตจะเป็นกลางในการรู้กายจิตจะเป็นกลางในการรู้จิตใจเมื่อรู้ด้วยความเป็นกลางมันจะเห็นความจริงชัดเจนถ้ารู้อย่างไม่เป็นกลางชื่อไม่ชัดเจนอย่างกรรมการห้ามวยเห็นไหมถ้าลำเอียงนะไปแอบเล่นนักมวยคนนี้อยู่นะไอ้คนที่เราเล่นถูกชกนะเราก็มองไม่เห็นเห็นไหมมาลำเอียงเป็นผู้พักษาอะไรเนี้ยจะจิตลำเอียงมันก็ไม่เห็นความจริงไม่ตรงความจริงลำเอียง อย่างลูกของเราตีกับลูกคนอื่นนะเราพิจารณาอย่างซื่อตรงแล้วลูกเราถูกทุกทีเลยเ น, นี่ยมันลำเอียงนะเพราะลำเอียงเราจะไม่เห็นความจริงให้เรารู้ทันจิตที่ยินดีรู้ทันจิตที่ยินร้ายจิตจะเป็นกลางเราก็จะเห็นทุกอย่างตรงความเป็นจริงมากขึ้นอีกในสุดเราก็จะเห็นความสุขไม่ใช่ที่พึ่งพาอาศัยหรอกความสุขอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไป ความทุกข์ก็ไม่ใช่ที่พึง่งพาอาศัยนะไม่ต้องไปเกลียดมันหรอกความทุกข์อยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปทุกสิ่งที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเราเนี่ยอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปถ้าจิตมันเห็นกระทั้งว่าสุขก็เป็นของชั่วคราวทุกข์ก็เป็นของชั่วคราวดีก็ชั่วคราวชั่วก็ชั่วคราวจิตเห็นได้ปัญญาอย่างถ่องแท้นะมาทุกอย่างมันของชั่วคราวทุกอย่างผ่านมาแล้วก็ผ่านไปทุกอย่างมีเหตุก็เกิดทุกอย่างหมดเหตุก็ดับทุกอย่างบังคับไม่ได้ มีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้คือคําว่าอนัตตานั่นเองการที่เราเห็นว่าทุกอย่างมาแล้วก็ไปนี่เห็นอนิจจ์นะเห็นว่าทุกอย่างที่ยังไม่ไปก็ถูกบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาลนี่เห็นทุกเห็นว่าทุกอย่างเกิดจากเหตุให้เหตุดับสิ่งนั้นก็ดับไปไม่ใช่อยู่ในอานาจนี่เรียกเห็นอนัตตาการที่เราเห็นซ้ําแล้วซ้ำอีกเนะี่ยใจจะเข้าไปสู่ความเป็นกลางอีกชนิดนึงกลางด้วยปัญญา เาสู่ความเป็นกลางด้วยปัญญาเบื้องต้นกลางด้วยสติก่อนนะสภาวะอะไรเกิดขึ้นในกายก็รู้ทันสภาวะอะไรเกิดขึ้นในใจนรู้ทันรู้ทันแล้วจิตใจเรายินดีให้รู้ทันยินรายให้รู้ทันนะนี่ขั้นต้นพอเราจิตเป็นกลางแล้วเราก็ดูสภาวะต่อไปด้วยความเป็นกลางแล้วคันนี้ดูไปดูไปนะปัญญามันเกิดว่าทุกอย่างเป็นของชั่วคราวความสุขก็ชั่วคราวความทุกข์ก็ชั่วคราวเมื่อไปเข้ามาถึงความฉลาด เห็นแล้วว่าความสุขก็ชั่วคราวความทุกข์ก็ชั่วคราวเนี่ยความสุขยังไม่เกิดขึ้นก็ไม่ดิ้นรนแสวงหาเพราะว่าไม่ได้เอาความสุขเป็นที่หมายในชีวิตแล้วเพราะความสุขเป็นของชั่วคราวเราไม่เอามาเป็นฝากเป็นฝากตายอยู่กับความสุขอีกต่อไปละนั้นจิตใจจะไม่หิวความสุขไม่ดิ้นรนหาความสุขเมื่อความสุขเกิดขึ้นกําลังปรากฏอยู่ก็ไม่หลงระเริงเพราะรู้ว่าของชั่วคราวเมื่อความสุขหายไปก็ไม่เสียดายรู้ว่ามันเป็นของชั่วคราว เ ห, ห็กระทั่งความสุขยังมายั่วจิตเราให้ปลุกต่อไม่ได้เลยเมื่อความทุกข์ยังไม่เกิดขึ้นก็ไม่กังวลลงหน้าไม่เกลียดไม่กลัวมันหรอกเพราะว่ามันเป็นธรรมดาความทุกข์มันต้องมาสู่ชีวิตเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพลาดพลาดจากสิ่งที่รักต้องเจอสิ่งที่ไม่รักเป็นคราวๆอะไรนี้เรื่องธรรมดาไม่กังวลว่าความทุกข์มันจะมาเนะมื่อความทุกข์มาอยู่กําลังปรากฏอยู่ก็ไม่เกลียดชังมันไม่แช่งมันให้หายเร็ว เมื่อความทุกข์หายไปก็ไม่หลงดีใจนะเพราะเดี๋ยวมันก็จะมาอีกจิตจะเข้าสู่ความเป็นกลางด้วยปัญญานะสุขทุกข์ดีชั่วเนี่ยเสมอกันหมดในความรู้สึกเพราะว่ามันตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์เนี่ยเราการที่เรามีสติรู้กายรู้ใจนะจกกนกระทั่งมันเข้ามาสู่ความเป็นกลางเพราะมันเห็นไตรลักษณ์อยู่เรื่อยสุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงดีก็ไม่เที่ยงชั่วก็ไม่เที่ยงหายใจออกก็ไม่เที่ยงหายใจเข้าก็ไม่เที่ยงอะไรๆในโลกนี้มีแต่ของชั่วขณะทั้งนั้นเลย เมื่อเป็นกลางอย่างนี้แหละจุดที่จิตเป็นกลางเพราะปัญญาเนี่ยคือประตูแห่งอริยามรรณะเนี่ยเราอยากเป็นพระอริยะบุษบาทใส่เสื้ออริยะละนะมีเสื้อบ้างมีผ้าสบายบ้างนะอริยะต้องภาวนาต้องดูความจริงของรูปของนามของกายของใจจนวันหนึ่งมันเป็นกลางเป็นเองไม่ใช่บังคับให้เป็ น, นเป็นกลางเพราะความฉลาดรอบรู้ขึ้นมาว่าทุกอย่างที่ผ่านเข้ามานี้เป็นของชั่วคราว ถ้ามันเป็นกลางอย่างนี้นะความสุขเกิดขึ้นก็ไม่มีความดิ้นรนเกิดขึ้นว่าจะต้องต่อต้านมันต้องอยากให้มันหายไปความทุกและความสุขเกิดขึ้นมาไม่ดิ้นรักษานะความความทุกเกิดขึ้นก็ไม่ปฏิเสธมันไม่ว่าสุขทุกเกิดขึ้นมาไม่ปฏิเสธมันนะไม่หลงไหลและก็ไม่ปฏิเสธไม่ยินดีไม่ยินร้าย น, นั่นเองนี่นในสติ ป, ปัฏฐานเนี่ยถ้าดู ภาษาบาลีท่านจะเริ่มบอกว่ากายเยกายานุปัสสีวิหารติแม่เอากายในกายเป็นวิหารธรรมอาตาปีมีความเพี่ยนแผรเผากิเลสสมปะชานโนคือมีความรู้ตัวอยู่ว่าเราจะทําอะไรนะไม่หลงลืมซะมีสติรู้กายรู้ใจนะรู้รูป ร, ร, ร, รู้นามไปวิน ah ัยยะโลเกอพิชาโทมณัสสะถอดถอนความยินดียินร้ายในโลกเสียคําว่าโลกไม่ใช่โลกข้างนอกแต่เป็นโลกภายใน กายยาวานาคืบกว้างศอกมีสัญญาและใจคลองย่อลงมาก็คือรู ป, ปนามนี่เองสิ่งที่เรียกว่าตัวเรานี่ยเองคำว่าโลกนั่นแหละเพราะฉนั้นสติปัฏฐานเนี่ยถ้าเราจเจริญสติจเจริญปัญญานะดูความจริงของกายของใจเรื่อยไปสุดท้ายมันจะถอนความยินดียินร้ายได้มันถอนความยินดียินร้ายได้ด้วยวิธีที่หลวงพ่อบอกนั่นแหละคือมันด้วยปัญญาไม่จะเห็นเลยสุขทุกข์ดีชั่วเป็นของชั่วคราวความสุขเกิดขึ้นก็ไม่หลงระเริงนะ ไม่อยากให้มันอยู่อมตะความทุกข์เกิดขึ้นก็ไม่เกลียดชังไม่อยากให้มันหายเร็วๆมันมาแล้วมันก็ไปตามเหตุของมันจิตเป็นกลางเมื่อจิตเป็นกลางแล้วอะไรจะเกิดขึ้นจิตจะหมดความดิ้นรนจิตจะหมดความอยากเมื่อจิตหมดความอยากลงชั่วขณะนะจิตจะสักว่ารู้ว่าเห็นอยูนะ่ตรงนี้ถ้าศีลสมาธิปัญญาของเราแก่รอบนะจิตจะเข้าอัปปนาสมาธิด้วยตัวของจิตเอง บางคนชาตินี้ยังไม่เคยเข้าถึงอัปปนาสมาธิไม่ต้องตกใจคนรุ่นเราที่เข้าอัปปนาสมาธิได้มีไม่มากหรอกเพราะพวกเราเนี่ยเกิดมาก็คิดลูกเดียวเลยเห็นไหมทำมาหากินก็มีแต่เรื่องที่ต้องคิดทั้งนั้นเลยโอกาสที่จิตจะสงบถึงเข้าอัปปนาเล่นเนะเข้ายากตัดสมันรุนแรงมากเลยแต่ไม่ต้องกลัวนะถ้าภาวนาไปเรื่อยนะวันหนึ่งได้เข้าแน่นอนเลยเข้าตอนที่อริยมรกจะเกิด เวลาที่อริยมรรคจะเกิดจะไม่เกิดในขณะที่เรานั่งตาแป๋วแปวจิตของเราอยู่ในกามอย่างนี้ขณะนี้ทุกคนอยู่ในกา ม, มาวัจระนะในกา ม, มาวัจจรภูมิสังเกตไหมเดี๋ยวก็ดูเดี๋ยวก็ฟังเห็นไหมเนี่ยออกไปหาอารมณ์ทางตาทางหูอยู่ตลอดเวลาเวลาที่อริยมรรคจะเกิดนะมันจะรวมเข้ามาที่จิตรวมเข้ามาที่จิตนะสติระลึกรู้จิตนะสมาธิจิตตั้งมั่นอยู่กับที่จิตนะโดยไม่ได้เจตนา สติก็ะระลึกรู้จิตโดยไม่เจตนาสมาธิก็ตั้งมั่นอยู่ที่จิตโดยไม่เจตนาปัญญาเข้าใจจิตโดยไม่เจตนาจะเข้ามารวมมาที่จิตเองจะเห็นแต่ทุกข์ล้นลนะ้นที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปบางคนจะเห็นสองขณะเห็นสภาวะธรรมบางอย่างไหวๆขึ้นมาในจิตสองขณะบางคนก็เห็นสามขณะพวกปัญญากล้าเห็นสองขณะแวบบๆ พวกปัญญาไม่กล้าต้องดู3มทีแวบบแวบบแวบบ3าครั้งถ้นะจาจะนั้นจิตจะปล่อยปล่อยวางอารมณ์ฉนะนั้นมันดูสภาวะมันจะเห็นอย่างมีความใหวตัวเกิดขึ้นข้างในจิตมันเห็นความใหวตัวนี้ไหวขึ้นมา2อทีนะจิตรู้ละลายสาระจิตปล่อยเลยมันจะทวนกระแสเข้าหาตัวตธาตุตตารู้นะตรงที่มันปล่อยอารมณ์ก็คือปล่อยโลกลนะมันทวนเข้ามาหาธาตุรู้มันยังมาไม่ถึงธาตุรู้ นั่นมันไม่ใช่ปุถุชนมันไม่ใช่พระอริยะมัน้าบรูกคาบดอกตัวนี้เป็นโคตรภูยานเป็นยาน ข, าข้ามโคดมีช่ช่วงขณะเดียวแวบเดียวเนี่ยเมือมันทวนเข้าถึงจิตตึงใจจริงๆแล้วนะอสวะกิเลส ท, ที่ห่อพุ่มจิตเนี่ยจะถูกมักเนี่ยแวกทำลายออกจิตของเรามีเปลือกนะจิตของเรามีเปลือกหุม่มจิตแต่ละคนนะั้นหะนาๆเคย ร, รู้จักไม่หนาะคําว่าหนาก็คือปุถุชน กิเลสพุ่มมาไวหนาเลยนะอาริยมรรคเนี่ยเข้า็นแบกมัหรอกล้างอาสวะออกไปนะลองครั้งที่หนึ่งแปบ๊บเดียวนะมันเข้ามาปิดอีกก็ภาวนาไปเรื่อยนะแบกครั้งที่สองครั้งที่สาครั้งที่สี่นะถึงจะขาดจริงๆไม่กลับมาอีกแล้ววิมุตต์วิมุตต์คำว่าวิมุตต์ก็คือจิตหลุดพ้นจากอาสวะจากสิ่งย้อมจากสิ่งห่อพุ่มจิตจากกิเลสที่ย้อมที่ห่อพุ่มจิต ในเส้นทางเดินไปสู่ความเป็นอริยะนะสรุปง่ายๆเบื้องต้นรักษาศีลห้าไปก่อนถ้าศีลห้ายังไม่ดีไปพัฒนาซะอย่าเพิ่งถามว่าทําไงจะเป็นพระโสดาศีลห้าเอาให้ได้ก่อนศีลห้ายังไม่ได้ะไม่เป็นไรรอไปก่อนพระพุทธเจ้ามีนับจํานวนไม่ท้วหนหรอกองนี้ไม่ทันก็ไปรอองค์ต่อๆไปนะรอรอพยามารมาตรัสรู้ก็ได้ นะรอพระสีอริยะเมตไตรก็ได้รอพระรามมาตัดสุดูก็ได้มีหลายองคนะ์แต่ถ้าอยากเป็นอริยะจริงๆรักษาศี่ห้าทุกวันต้องฝึกจิตให้จิตตั้งมัน่นมีสมาธิสมาธิไม่ใช่ฝึกจิตให้เคลิมเห็นโน้นเห็นนี่เห็นนรกเห็นสวรรค์นั่นสมาธิออกนอกไม่ได้เอาไว้เดินปัญญาสมาธิที่ดีคือสมาธิที่จิตใจอยู่กันเนื้อกับตัว อย่าให้ลืมเนะื้ลืมตัวไปรู้สึกกายรู้สึกใจรู้สึกบ่อยๆพวกเราลืมกายลืมใจวันละกี่ครั้งทำได้ไหมตลอดเวลาคือลืมวันละหนึ่งครั้งตั้งแต่ตื่นจนหลับลืมครั้งเดียวนะไม่รู้สึกเลยถ้ารู้ตัวหนึ่งครั้งก็คือวันนี้หลงอยู่2ครั้งกําลังเผลอๆ อ, อยู่แล้วรู้สึกได้แวบบหนึ่งแล้วหลงต่อไปไว้ความรู้สึกตัวนะมีสมการนะ เท่ากับหลงลบหนึ่งง <c oughs> ั้รู้สึกบ่อยๆ ย, ยิ่งเยอะยิ่งดีการที่รู้สึกบ่อยๆนั่นคือสติเกิดบ่อยหลงแว บ, บแล้วรู้สึกหลงแว บ, บแล้วรู้สึกดีที่สุดเลยเนะพวกเราฝึกกันเข้านะไม่ได้ยากเท่าที่คิดหรอกแต่ต้องจริงต้องจริงจังจริงจังไม่ได้ทําแบบเคร่งเครียดหมายถึงว่าไม่ท้อถอยนะ ไม่รีบเดินจ้ำจ้ำจ้ำไปเพรนิพานไม่รีบจ้ำกลวยเอ้าวไปตามบวชตามควายไม่ใช่อย่างนั้นเดินไปช้าๆเดินไปสบายๆแต่ไม่หยุดตัวสําคัญคือชอบหยุดกลางทางเนี่ยหยุดนานเหมือนพายเรือทวนน้ำนะพา ย, พายไปหน่อยก็หยุดถอยถอยถ อ, ยถอยไปมีแรงพายอีกบางทีก็ถึงที่เก่าก็หมดแรงบางทีเลยที่เก่าไปหน่อยบางทีมาไม่ถึงที่เก่าก็หมดแรงอีกแล้ว ภพชาตินี้ก็วนอยู่ตรงนี้เองวัตตะก็เลยยาวอดทนนะตั้งใจรักษาศีลห้าตายก็ไม่ยอมเสียต้องกล้าสละชีวิตเพื่อธรรมะให้ได้นะข้ามภพค้ามชาติจริงๆไม่ใช่ของเล่นเป็นเส้นทางของคนกล้าเอกายนามัตทางสายเอกเนี่ทางของคนกล้าทางของคนจริงต้องกล้าต่อสู้ความยากลำบากในการที่จะสู้กับกิเลส กิเลสจะนเที่ยวชวนนอนไปด้วยนะก็สู้มันหลวงพ่อไม่ใช่คนเก่งนะแต่หลวงพ่อเป็นคนอึดทนที่สุดเลยตอนเด็กๆไปหาครูบาอาจารย์ท่านสอนให้พุโทโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธนับหนึ่งหายใจเข้าพุทหายใจออกโธนับสองสอนอย่างนี้เราเด็กๆท่านสอนแค่นี้ไม่มีวันไหนที่ไม่ทำ การลเล่นที่หลวงพ่อชอบมากเลยนะเวลาผู้ใหญ่เขาซื้อผ้าเช็ดตัวมาให้นะคอสีเหลืองเอามาคลุ่มนะแล้วนั่งสวมดมนต์ <c oughs> เล่นอย่างนี้นะทนมากเลยภอวนานแล้วขึ้นเจริญปัญญาไม่เป็นทำแต่สมาธิยังไม่มีครูบาอาจารย์มาสอนวิชาเจริญปัญญาไม่มีใครสอนวิปัสสนาให้ เบื่อตอนเรียนสมถะหายใจอย่างเดียวพุโทโธไปด้วยทำความสงบก็ทำอยู่อย่างยี่สิบสองปีไม่เลิกพวกเราทำอะไรซ้สำส้างโดยไม่เห็นผลเลิกไหมสามวันก็เลิกแล้วนะนะบางคนเดินจงกรมนะตั้งใจเด่นเดียวขอเอามรักผลนิพพานให้ได้นะเดินอยู่สามวันสี่วันนะเอาไว้ก่อนแล้วกันเดีนะ๋ยวไปช้อปปิ้งก่อนนะถ้ามีคำว่าเอาไว้ก่อนแล้วก็อีกไกล ต้องหลอมรวมการปฏิบัติเข้าในชีวิตจริงๆให้ได้การปฏิบัติเนี่ยไม่มีการแบ่งเวลาว่าเวลานี้เป็นเวลาปฏิบัติเวลานี้ไม่ต้องปฏิบัติถ้าเราจะเอาจริงนะเวลาทั้งหมดในชีวิตเนี่ยเป็นเวลาของการปฏิบัติแต่บางทีจําเป็นต้องไปทำอย่างอื่นอันนั้นถือว่าเป็นเรื่องจาเป็นจาเป็นต้องนอนก็ไปนอนจาเป็นต้องทางานก็ไปทางาน เวลาที่เหลือนะนะั่นแหละเป็นเวลาของการปฏิบัติทั้งหมดเลยหลวงพ่อรับราชการนะก่อนอยู่ในทรรเนียบรนะัฐบาลงานเยอะมากเลยอยู่สภาความมัน่นคงชื่อก็น่ากลัวลนะวันวันนี้มีแต่เรื่องข่าวนะข่าวเต็มไปหมดเลยคนที่สภาความมัน่นคงยุคน้นยุ น, น, ยนี้หลวงพ่อไม่รู้จักลนะรุ่นเดียวกันหรือเกษียณกันลนะเขาหิวข่าวนะไม่ใช่หิวข้าวตื่นเช้าขึ้นมาหิวข่าวนะ รีบหาศึกษาแล้ก็ศึกษาวิเคราะห์อะไรตอนน่ออะไรวุ่นวายแต่ไม่เลิกปฏิบัติตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยนอนอยู่ในท่าไหนก็รู้นะหายใจยังไงก็รู้นะะตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยจะรู้สึกเลยจิตมันตื่นก่อนร่างกายมันตื่นที่หลังจิตมันจะค่อยๆเคลื่อนขึ้นมาจากประวังเห็นมันเคลื่อนปุ๊บปุๆบขึ้นมาเสร็จแล้วมันก็ค่อยแอบฉายรัศมีออกไปฉายแสงออกไป แสงนี้กระทบเข้าที่ร่างกายนะร่างกายก็ปรากฏขึ้นแสงนี้กระทบเข้าที่ความรูม้สึกความรูม้สึกต่างๆก็ปรากฏขึ้นเหมือนเปิดสวิตเลยนี่ยหัดภาวนานะหัดอย่างนี้เลยตื่นขึ้นมาไม่ขี้เกียจไม่บิดซ้ายบิดขวาตื่นขึ้นมาก็คือลุกเลยถ้าจิตมัวๆนะใช้ไม่ได้ตื่นปุ๊บต้องสว่างปั๊บเลยจิตเราเนี่ยต้องฝึกหลวงพ่อฝึกแบบโหดๆนะ ก่อนนอนให้กินน้ำเยอะๆไม่นานก็ปวดฉี่แล้วต้องตื่นตื่นขึ้นมานะไปเข้าห้องน้ำเนละกินน้ำอีกแล้วแล้วนั่งนะไม่เดินถ้าเดินแล้วมันหายง่วงเหงียง่ายนั่งถ้ายัางงวงเงียอยู่ไม่นอนต่อนี่ฝึกอย่างนี้อยู่พักเดียวนะพอตื่นปุ๊บสว่างปั๊บเลยจิตเนี่ยจ้าขึ้นมาเพราะมันกลัวเราไม่นอนเดี๋ยวเราจะบรรลุมรกผลซะก่อนกิเลสเนี่ยรีบทาใจให้เราสว่างรู้สบายแล้วนอนได้ละ ฝึกตัวเองเข้มงวดนะเตือนที่มาไปอาบน้ำํำอาบน้ําในตุ่มคนโบราณหน้าร้อนนะเห็นตุ่มน้ําดีใจหรือว่าดีใจแล้วหน้าหนาวเห็นตุ่มน้ํานะสยองไม่รู้จะใช้ศัพท์ไหนใช้คำว่าสยองสยองรู้ว่าสยองอาบก็ค่อยๆแตะๆกลัวกลัวไหมกลัวนักปฏิบัติไม่ใช่ต้นไม้และก้อนหินเี่จะไม่กลัวน้ำํำไม่ใช่ฝึกจนกระทางพิกลพิการไม่มีความรู้สึก <l ots> <N onsense> นะนั่นเซนไปนามน้ำขับถ่ายก็ดูได้นะวันนี้ขับถ่ายสะดวกมีความสุขไหมวันนี้ไม่ยอมถ่ายเป็นไงสดชื่นไม่เป็นหรอกรู้ลงรู้ลงไปจิตใจเราเป็นยังไงกินข้าวไปถึงที่ทำงานไปเดินดูลงอาหารเห็นหน้าแม่ค้าแล้วก็รู้แล้วว่ามีอะไรขาย ผู้ใหญ่คนนี้แกก็ทําอยู่อย่างนี้ทั้งชาติแหลนะะจนคผู้ใหญ่เขาก็เสียนไปหลายรุ่นแล้วแกก็ยังขายเหมือนเดิมหนึ่งเห็นแล้วใจเราไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบะใจเราอยากกินอันนี้รู้ว่าอยากฝึกอย่างนี้แหละเวลาคุยกับคนเวลาประชุมตั้งใจทํางานไปคนเขาชมแหมเอกสารเราดีข้อมูลเราเพียบใจผ่องรู้ว่าผองนะเฮงซวยข า, ว од, ขาดตัวนี้ขาดตัวนี้ แล้วก็ใจมืองก็ได้แต่พูดว่าออนะโกรธนะโกรธแม่โกรธนะมาว่าเรามากเลยโกรธรือว่าโกรธนะนี่ดูของจริงนะไม่ใช่ป้าพขาว่ากไม่โกรธเขาชมเขาเฉยเขาว่าก็เฉยไม่ใช่มันหลอกตัวเองมันเพ่งเอาไว้นะดูของจริงๆไปนะดูของจริงถึงเวลาเลิกงานกลับบ้านนะกลับบ้านไม่รีบไม่ไม่ไปไหนไม่ถลาย กลับมาบ้านอาบน้ําอาบท่าก็าพอนาวันไหนเหนื่อยมากๆพ อ, อนาไม่ไหวนะจะหาอะไรมาพักผ่อนหาหนังสือการ์ตูนมานั่งอ่านเลยอ่านการ์ตูนด้วยนะหลวงพ่ออ่านเพชรพระอุมาด้วยนะนแต่เพชรพระอุมาไม่แนะนําเอาไปทํากรรมฐานลาบากนะมันต้องอ่านตั้งแต่ต้นจนจบ <c oughs> หาอะไรที่มันไม่ค่อยน่าอ่านก็ได้ะได้ค่อยฝึกของเรานะฝึกของเราทุกวันทุกวันฝึกไปอย่างเงี้ย คอยรู้เท่าทันร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกถ้าเรารู้ด้วยความเป็นกลางได้นะไม่หลงยินดีไม่หลงยินร้ายถ้ายินดียินร้ให้มารู้ทันกข้าไปในสุดจิตจะเข้าสู่ความเป็นกลางเมื่อจิตเข้าสู่ความเป็นกลางจิตหมดความิ้นรนุนจิตที่หมดความิ้นรนรวมเข้าอัปปนานะตัวที่รวมเข้ามาเนี่ยถ้าศีลสมาธิปัญญาเราสมบูรณ์แนละ้วอริยามรรคจะเกิดไม่มีใครทําให้อริยามรรคเกิดได้ อริยมรรคเกิดเองแต่อยู่ๆอริยมรรคไม่เกิดเราต้องทําเหตุของอริยมรรคพัฒนาศีลสมาธิปัญญาของเราเรื่อยไปถ้าเราไม่ทําเหตุจะไม่มีผลนะอยู่ๆไปเอาผลจะทํามรรคให้เกิดไม่มีเกิดหรอกต้องทําเหตุมีศลสมาธิปัญญาสะสมบ่อยๆถ้าทำไปแก่รอบขึ้น ม, มันก็ไปของมันเองเนาะไม่ต้องเชื้อเชิญ สรุปง่ายๆนะทางเดินเส้นนี้เนี่ยไม่ยากอะไรหลวงปู ด, ดูลบอกหลวงพ่อเลยว่าการปฏิบัตินั้นไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองเทศสารให้หลวงพ่อดูจิตตนเองสมาธิหลวงพ่อทํามาแต่เด็กแล้วศีลก็รักษา ม, มาตลอดก็มามาเจริญปัญญาเห็นเลยเดี๋ยวจิตก็สุขเดี๋ยวจิตก็ทุกข์เดี๋ยวจิตก็ดีเดี๋ยวจิตก็ชั่ว จิตสุข ก, ก็ชั่วคราวจิตทุกข์ก็ชั่วคราวจิตดีก็ชั่วคราวจิตชั่วก็ชั่วคราวพวกเราฟังมาถึงตัวนี้ตอบได้ไหมว่าหลวงพ่อมีจริตแบบไหนระหว่างตัณหาจริตรักสุขรักสบายรักสวยรักงามกับทิฏฐิจริตช่างคิดทําไมว่าหลวงพ่อเป็นทิฏฐิจริตละ่ะโ อ, อ้นะแล้วครูบาอาจารย์ท่านก็เห็นแล้วเนาะท่านเลยสอนให้ดูจิต นั้นบางคนก็คิดว่ากรรมฐานมีแต่นั่งสมาธินะไม่ไหวนั่งสมาธิไม่ได้ทำให้มีปัญญาขึ้นมาสมาธิมีสองชนิดสมาธิส่วนใหญ่ที่ทากันนะั้นสมาธิพักผ่อนให้จิตนิ่งนงสมาธิอีกชนิดนนะึความตั้งมั่นอย่าไปแปลสมาธิว่าสงบสมาธิตามศัพท์แปลว่าความตั้งมั่นจิตที่ตั้งมั่นก็คือจิตที่ไม่แฉลบซ้ายแฉลบขวา เฉแลบไปซ้ายไปขวาไปไหนอะไปอดีตไปอนาคตไปทางตาไปทางหูไปทางใจหนีพิชิตะจิตเราเฉลบตลอดเวลามาฝึกให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวจิตไหลแล้วรู้ทันจิตไหลแล้วรู้ทันนะเอย่างจิตนี้ไปคิดแล้วรู้ทันนะรู้บ่อยๆจิตจะตั้งมัน่นกลับไปจิตตั้งมัน่นเด่นดวงอยู่นะให้เพาวนาเรื่อยไปเห็นความจริงของกายก็ปล่อยวางกายเห็นความจริงของจิตแล้วปล่อยวางจิตก็ปล่อยวางจิตได้นะ จิตจะแปลสภาพไปแต่เดิมจิตตั้งมั่นอยู่นะมีขอบมีเขตมีจุดมีดวงอยู่ก็ปล่อยวางจิตแล้วไม่มีขอบไม่มีเขตไม่มีจุดไม่มีดวงจิตรวมเข้ากับความว่างความว่างของจักรวาลมีอยู่แล้วมีความสุขล้วนๆนมีความสุขให้ฝึกเอาอยากได้อริยะรัพย์อริยะเจ็ดอริยทรับเจ็ดประการอย่างน้อยวันนี้ก็ได้ซัพย์มาตัวหนึ่งได้สุตตะ ศีนมียังแน่ใจนะอืศีนข้อไหนรักษายากที่สุดฮะมีสามบ้างสีบ้างะแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันข้อที่รักษายากของคนทั่วๆไปก็ข้อสี่ข้อสีแค่พูดเพิพรเจอร์พูดเพิรเจอร์ศีนด่างร้อยพูดเพิร์เจอร์หมายถึงอะไรไม่จําเป็นต้องพูดก็พูดเรียกว่าพูดเพิรเจอร์ พูดแบบไม่เห็นประโยชน์อเลยไม่มีประโยชน์กับใครเหมือ น, นดังพร้อยคนไหนยังดังปร้อยตัวไหนก็พัฒนานะสำรวจตัวเองแล้วก็มาฝึกจิตใจให้ตั้งมั่นอยู่กันเนื้อกับตัวพอจิตใจตั้งมั่นแล้วเนี่ยก็ดูกายดูใจนทํา ง, งานเหมือนดูละครเหมือนดูคนอื่นเห็นกายนี้เคลื่อนไหวเหมือนเห็นคนอื่นเคลื่อนไหวเห็นจิตใจนี้เคลื่อนไหวเหมือนเห็นจิตใจของคนอื่นจิตใจมันโกรธไม่ใช่เราโกรธ จิตใจมันโลบไม่ใช่เราโลบร่างกายมันยืนเดินนั่งนอนไม่ใช่เรายืนเดินนั่งนอนก็ดูอย่างนั้นไปอ่ะเทศพอสมควดนะได้ข่าวว่าไม่มีการถามเนี่ยเพอไปแล้วนี่ค่ะขอคำนิดหนึ่งค่ะตั้งใจไว้เลยตอนที่ขอเอาเลยค่ะไปสวรรณิษย์จำป่ไม่ได้ถามไปซาลาลุงจินก็ไม่ได้ถามเหรือไปซาลาลุงจินไม่ต้องจับฉลาก ไ, ไปส่วนนดยยกมือก็ได้ถามคือตอนนี้ยยมยาของนุญาตเรียกยอมยานะคะ <c oughs> เพราะเออมันจะเจ็ดิแปดแล้วเจ็ดิเจ็ดเต็มเดือนนี้ค่ะ <c oughs> ย่างมาประมาณประมาณย่างหนอ่อมาประมาณสี่ห้าเก้าแล้วค่ะจะถามว่ายอมยาตอนนี้เตรียมตัวพร้อมที่จะตายอะคะ่ะตายเมยื่อไหร่ก็เมื่อนั้น เตรียมตัวไว้ทุกอย่างเขียนจุดหมายลาตายไว้นะคะตั้งแต่ปีห้าสองถ้าตายไปแล้วลูกกันมาลาคงไม่ชอบไม่มีใครชอบนะคะก็เลยเตรียมตัวไว้ก่อนแล้วก็บอกทุกคนในนั้นว่าอย่าไว้ทุกที่ไปงานศพ<ม>ให้แจ่งเสีออะไรก็ได้<ม><ม>นะคะแล้วก็อีกหลายๆอย่างที่เตรียมพร้อมไว้ เื่อเวลาตายไปจะได้ไปอย่างสบายๆไม่มีห่วงไม่มีอะไรทั้งหมดเลยค่ะบแน่ามมันอีกหลายอย่างมันพอนึกจะพูดแต่มันก็จะลืมเนี่ยไม่เป็นไรแต่ไม่ได้ลืมตัวนะคะสัญญาไม่เที่ยงจะไม่ได้ลืมตัวรู้สึกตัวตลอดเวลาว่าจะแต่มันจะพูดออกมาแล้วมันมันจาไม่ได้ค่ะมันมันนึกไม่ออกไม่เป็นไรค่ะถ้าอยู่กับปัจจุบันได้นะไม่เนรูดตัวไป เห็นร่างกายเหมือนเห็นคนอื่นเห็นใจเหมือนเห็นคนอื่นไปเรื่อยตายเขาไม่มีอะไรนักตัวแล้วทุกวันนี้ญาติตื่นมาโยมญาติตื่นมาประมาณตีสามตีสี่สี่สิบห้าทำอะไรตัวเองเสร็จแล้วก็จะเดินจงกรมนั่งสมาธิแล้วก็สวดมนต์ประมาณชั่วโมงนึ่งอะคะ่ะนั่ดีแล้วก็ลงทําทําทุกวันมาเป็นปีแล้วนะคะแล้วก็ จะแผ่ส่วนกุศลให้สรรพสัตว์ทั้งหลายนะคะทำทุกวันแล้วก็ถึงเวลาไปวัดลูกสาวพาไปก็จะสินแปดแต่ตอนนี้สินห้าอยู่บ้านนะคะจะสีนแปดที่เวลาไปวัดนะคะก็อย่างดีค่ะแต่วันพระคารวาดนะไม่ต้องสีนแปดก็ได้นะแต่ว่าสีนแปดเป็นครั้งคราวนะอันนี้สีนห้าประจำค่ะเลดีแล้วก็ มันจะจ ะ, จะคือเหมือนก็นไม่ได้ถามค่ะเหมือนจะเล่าให้ฟังอย่างเงี้ยว่าว่าตัวเองเนี่ยทําทําผิดไหมที่เตรียมตัวที่จะพร้อมที่จะตายเมื่อไหร่ก็ได้อะ่ะอ้าวตายเมื่อไหร่ก็ได้แต่ตพร้อมก็ดีแล้วแต่มีคนเดียวที่ยังไม่ได้ลาค่ะคือแม่ชีแม่ชีปุ้มนะคะอขอการลาตอนนี้เลยแต่ยังไม่ไปะค่ะ <laughs> <laughs> ขอการขอการลาตอนนี้มันไม่มีในจดหมายนะคะเข<ง>ียนลาไว้ทุกคนเลยในจดหมายทั้งลูกทั้งหลานทุกคน ล้ะะว่าลาลาลาเป็นๆตอนนี้เลยนะคะแต่ยังไม่ไปนะคะยังไม่ไปถ้าทางถ้าทางมั่นใจทั้งคู่เลยว่าเกิดอีกก็ไม่รู้จะถามอะไรนะกะคือคือมันก็นบอกตอนนี้ว่าญาติทำแบบนี้คงไม่ไม่เป็นไรนะคะ <laughs> <laughs> ไม่เป็นไร <laughs> <laughs> มีศีลแปดศีลห้าก็ดีแล้วกรับในราชการค่ะ ตามนพัธีการพระจารย์นี่ยมไม่ชีเห็นก้อนทุกข์ที่ที่หน้าอกเนีบ่อยมากขึ้นระยะนี้นะเจ้าค่ะบางทีไม่มีผัดซาเขาก็กอตัวขึ้นมาเป็นตันหานสังขารนั้นถเจ้าค่ะและสภาวะที่เกิดขึ้นสองอาทิตย์ที่ผ่านมาที่มาภาวนาอยู่ที่บ้านคือเจริญสติกายใจทํางานบ้านไปด้วยนะเจ้าค่ะมันเกิดความกลัวมันมันตกใจขึ้นมานิดมันบอกเฮ้ยเราไม่ได้ใครมาข้ับให้เราทําอะไรมากมายอะค่ะมันพูดขึ้นมา เหมือนกับกลัวทําไมต้องทําตามเหมือนกับแม่ชีทํางานแล้วมันมีสภาวะเหล่าเนี้ขึ้นมาในจิตเหมือนมันไม่เป็นตัวเราแล้วแม่ชีก็กลัวแต่ก็กลัวรู้ว่ากลัวแต่เหมือนตอนนั้นมันฟุ้งมันเหมือนกับว่าจิตมันกลัวค่ะหลวงพ่อเหมือนไปเห็นอะไรบางอย่างที่บังคับให้เราทําอะไรมันไม่ใช่ตัวเราจ้ะค่ะนั่นแหละมันรักตัวเองสูงจ้ะค่ะพอเห็นว่าตัวเราไม่มีจริงๆนะอจอมรับไม่ได้จ้ะค่ะไม่ต้องดูอีก ดูจนวันหนึเห็นนะตัวเราไม่มีหรอกมีแต่ตัวทุกข์ตัวจิตเป็นคนสั่งให้ทําใช่ไหมเจ้คะใช่แต่แม่ชีไม่ได้คิดว่าเป็นจิตนะภาวะตอนนั้นคือไม่รู้อะไรทําให้เราทําอะไรอย่างนี้เจ้าค่ะอืก็เป็นการบ้านที่จะส่งก็เลิกค่ะให้การบ้านต่อมนาะแม่ชีต้องฝึกให้จิตตั้งมั่นด้วยสงบด้วยเจ้าค่ะนะถ้าจิตไม่ตั้งมั่นไม่มีความสงบเป็นฐานมันจะฟุ้งเจ้าค่ะมันจะเดินปัญญาได้แม่จริงเจ้าค่ะนะตอนนี้ตัวสําคัญ <àn> <ม>การเจริญสติกายใจอยู่กับปัจจุบันแ ล, แล้วก็เดินจงกรมนั่งสมาธิเนี่ยมันทําให้จิตตั้งมั่นได้เองไหมคะได้นะแต่ต้องต้องเด็ดเดี่ยวนะต้องเด็ดเดี่ยวเราต้องสํารวจว่าเรามีจุดอ่อนอะไรอย่างบางคนเนี่ยถ้าเจอคนอื่นแล้วคุยธรรมะนะใจกระโดดเลยเจ้าค<ะ>่ะอย่างนี้เราสํารวมเจ้าค<ะ>่ะเราก็เลี่ยงไม่พูดเยอะถ้าโยมมาขอให้พูดแล้วเราจะหนียังไงอนะเจ้าค่ะเราก็พูดตามความจําเป็นพูดนิดนิดหน่อยหน่อยพอ เมื่อส่วนใหญ่จะถามเรื่อยๆอย่างนี้นเจ้าคะต้องวิเวกต้องหลบใช่ใช่ไหมเจ้าคะคือตอนนี้เป็นเวลาเรียนเจ้าค่ะนะงานหลักของเราตอนนี้ต้องเรียนก่อนถ้าเป็นนักบวชเนี่ยงานหลักของนักบวชต้องรีบเรียนไว้ก่อนเจนะ้าะพอเราเรียนแจ่มแจ้งแล้วพอสมบวรแล้วถ้าใครมาถามเราในระดับที่เราเข้าใจแล้วเราก็บอกถ้ามาถามเราเกินจุดที่เราเข้าใจเราก็บอกแอดไซให้ไปฟังไปอ่านเนา เจ้าค่ะนะเจ้าค่ะไม่นเดี๋ยวเราบอกเขาผิดเนาะบาปกรรมเจ้าค่ะกลับนมัฏการเจ้าค่ะหลวงพ่อเคยบอกว่าไม่ตั้งมั่นค่ะสองปีผ่านมาก็รู้ว่ายังไม่ตั้งมั่นเทียบกันได้ไหมเมื่อสองปีก่อนกับตอนนี้ตั้งมั่นมากขึ้นไหมมันมากขึ้นนะถูกต้องแล้วแล้วก็แต่ว่าเวลาเตัวผู้รู้ตัวเห็นเนี่ยมันชัดเจนขึ้นมันเหมือนแยกออกมาใช่ค่ะเนืาตัวรู้มันเด่นขึ้นมานะขันมันจะแยกค่ะ ถ้าแยกรูปแยกนามแยกธาตุแยกขันได้เนี่ยถึงจะเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามไม่งั้นจะถ้าไปดูทั้งตัวเนี่ยมีคิดเอาแต่ถ้าเห็นเป็นสภาวะนรูปสดรูปเวทนาส่วนเวทนาสังขารส่วนสังขารจิตส่วนจิตจะเห็นเลยแต่ละตัวเนี่ยเกิดดับไปเรื่อยๆนั่นแหละดีที่ว่าเจริญปัญญาทําอะไรเพิ่มไหมคะขอตังค์ทำให้มากค่ะมึงคะง่ายอีก พจบอกว่าจิตไม่ตั้งมั่นแต่นี่การบ้านที่ส่งคือเห็นกายเนี่ยมันเป็นเห็นจิตเห็นกายที่เป็นตัวท่อนๆมากเวลาจิตเห็นกายนะค่ะจิตต้องไม่ไหลเข้าไปดูด้วยเขไหลไปแวบหนึ่งจังเออถ้าถ้าไหลเรารู้ทันก็อย่างดีนะแต่ถ้าอยากรู้สึกกายเห็นกายอยู่แล้วจิตก็ยังไหลไปดูนะบทีเหมือนเห็นเหมือนมือนี่นะจ้าค่ะบางครั้งวิบวับแป๊บหนึ่งมันคืออะไรไม่รู้แต่แป๊บหนึ่งคือมือเนี่ยบ่อยครั้งเนี่ยอันนี้ถือว่าจิตตั้งมั่นไหมคะตั้ง มันตั้งเป็นขณนะขณนะตรงที่เราเห็นอะไรซะกอย่างหนึ่งนะเราเห็นรูปตรงที่มันใช้เวลานิดนึ่งนะแล้วบอกว่ามือเนี่ยสัญญามันทำงานนะเพราะฉะนั้นตรงที่บอกว่าเป็นมือเนี่ยไม่ใช่ตัวปัญญาหรอกแต่สัญญามันทำงานแต่ตัวที่เราเห็นรูปเนี่ยมันยังเห็นไม่พอเพราะฉะนั้นจิตมันยังไม่สรุปขึ้นมาเป็นปัญญาว่าทุกอย่างเกิดแล้วดับญญต้องเห็นอีกเห็นซ้าๆไปเรื่อย ทำต่อไปนะเจ้าค่ะใช่ที่ทําอยู่นี้ถูกต้องใช่ไหมเจ้าค่ะถูกเจ้าค่ะแต่แม่ชีหลวงพ่อหลวงมันฟุ้งแรงเจ้าค่ะมันห่วงคนโน้นคนนี้ไปเรื่อยใช่เจ้าค่ะนั่นแหละแล้วห่วงมากจะเป็นพพลที่ศัตว์หรือไม่อยากเป็นเหนื่อยเจ้าค่ะเหนื่อยมากแล้วจะมีเหตุให้ต้องช่วยด้วยเจ้าคะนั่นแะดูจิตมันไปห่วงคนอื่นมันทีมันทีคนอื่นส่งมาให้นี่นะเจ้าค่ะส่งมาแล้วให้เราต้องช่วยเหลือเนี่ยแม่ทีก็ปฏิเสธไม่ได้ครับนึกถึงคําหลวงพ่อเหมือนกันว่าอย่าเดลิเวอรี่นะเจ้าค่ะสารทุกเจ้าคะ นวัต ก, การของพ่อเจ้าค่ะเอเ อ, เอดิฉันฟังซีดีหลวงพ่อมาหลายเดือนแล้วค่ะก็ปฏิบัติเออค่อยๆทํะค่ะก็ยังไม่เต็มที่เมื่อสองสาวันเกิดสภาวะอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อขับรถไปนะคะเปิดเออเปิดวิทยุฟังรายการสังฆทานธรรมอะค่ะแล้วก็เออสัญญาณขึ้นมันตัดคือดับไปะคะ่ะจิตก็ก็รู้ว่าดับ แต่เราก็จะมีสมาธิขับรถใช่แล้วก็เราก็นึกจิตมันพากันเีงค่ะเดี๋ยวกมันก็ดังขึ้นมาคล้ายๆเหมือนเราทําให้เราระวังตัวอันนี้คือจิตตั้งมั่นหรือเปล่าคะไม่ไม่ค่อยไม่เข้าใจนะไม่ตั้งนานคือคือไม่ตกใจอะฮะพ่เสียงตรงนั้นแหละจิตมันมีสมาธิขึ้นมามันดังพุ่งเสียงมันหายไปเองหรือว่ามันหายจริงจริงหายจริงๆครับเพระเคนคลืนเคลือนวิทยุหายเคลื่อนตอนนี้ยมันจะเสียบ่อยค่ะถ้อย่างนั้นไม่แปลก มันมีอีกแบบหนึ่งนะฟังฟังอยู่นี่เสียงมันดับให้ดูนะออแล้วรูปมันดับให้ดูเสียงเนี่ยบางทีเรามีสมาธิกับการขับรถฟังไปบางช่วงระวังเอถ้าถ้าเป็นวิทยุมันพังไปไม่เป็นไรอันนี้ดับไปแต่ถ้าจิตรวมปุ๊บดับเนี่ยอันตรายมากเลยละครเลยหลวง่อมีลูกศิษย์คนหนึ่งนะะมันไปจิตรวมตอนขับรถนะเห็นไฟแดงสักว่าเห็นเลยอ๋อชนติีเดียวห้าขันเลย ไย่อยาให้จิตไปรวมตอนขับรถก็แล้วกันอันนี้คือปกติของการที่เราตั้งอันนั้นปฏิบัติใช่ไหมคะใช่รู้ผลก็ธรรมดาเราจะตกใจอะค่ะตอนนี้เราไม่ตกใจแล้วจะภาคว่ะเดี๋ยวมันต้องดังขึ้นมาเออเรารู้ตัวอยู่ก็ไม่ตกใจเราอ๋อค่ะขอบพระคุณค่ะเอ่อการมัตรการจ้ะคเอ่อเมื่อเดือนธันวาไปปฏิบัติธรรมอย่างไรชื่อนะ อย่าเอ่ยว่าไปที่ไหนค่ะเจ้ า, าคา่ะไปปฏิบัติธรรมาครนี้เนี่ยช่วงนั่งนั่งสมาธิเจ้คาค่ะในขณะหนึ่งเนี่ยมีความรู้สึกว่าตัวเองเี่ยหัวใจไม่เต้นเหมือนไม่หายใจแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเรารู้สึกว่าท้องพองยุคอยู่ตลอดเวลาแต่ก็ตอนที่ปฏิบัติธ ร, รมาจิตตรงนั้นเนี่ยรู้ว่าเหมือนเราไม่หายใจแต่พอมาสึกตัวทีก็สามารถที่กลับมาที่ท้องพองยุกได้ อยากกรถามว่าจิตในขนาดนั้นเนี่ย ม, มันเป็นเป็นสมาธิเป็นสมาธิเจ้าค่ะเห็นสมาธินะต่อไปก็เดินปัญญาค่ะเห็นเลยตัวที่พองตัวที่ยุบไม่ใช่ตัวเราเ <c oughs> ต่เบื้องต้นจะช่วยมันคิดหน่อยหนึ่งก็ได้ค่ะอย่าให้ไปรู้ตัวแล้วนิ่งๆอยู่ค่ะแต่รู้ตัวเรานิ่งเฉยอย่าเราดูท้องพองยุบนะจิตเราก็เกาะอยู่ที่ท้องนิ่งๆนะได้สมถะแล้วช่วงเวลานั้นรู้สึกมันความรู้สึกว่าเราเหมือนไม่มีชีวิตนะ่ะ เหมือนเราไม่ได้หายใจเรานิ่งนิ่งจริงๆนิ่งไปสักระยะพักหนึ่งอะค่ะพอรู้สึกตัวได้ก็สามารถที่กลับมาท้องพองแล้วก็ท้องยูนิ่งเนี่ยยังมีความรู้สึกตัวอยู่ไหมตอนนิ่งมีความรู้สึกคืออ๋อตอนนิ่งเนี่ยดับเหมือนดับเหมือนไม่รู้สึกอะไรเลยเจ้าค่ะจิตไปนู่นไงเรื่องอสัญญีหมายความได้ให้แม่ฉีปล اء จิตมันดับดับจิตลงไปไม่มีจิตค่ะเหลือแต่รูป ก็กลายเป็นสัตว์หนึ่งขันสัตว์มีสี่สามจำพวกนะสัตว์ห้าขันอย่างคนอย่างม้าอย่างแมวอะไรนี้เทวดาปลอมมีรูปนี่สัตว์ห้าขันสัตว์สี่ขันนี่ก็คือพรมไม่มีรูปมีแต่ความรู้สึกสัตว์หนึ่งขันนัก็เป็นปลอมชนิดหนึ่งชื่อสัญญาสัตตามีแต่ร่างกายไม่มีจิตร่างกายก็นั่งไปงั้นนะแต่ไม่มีจิตนะค่ะ้โพธ่สัตว์เนี่ยจะไม่ไปเกิน ในอาศญาสตตาที่หนึ่งละในสุทธาวาสทั้งห้าอีกที่หนึ่งถ้าไปเกิดในสุทธาวาสจะนิพพานไปเลยแต่ไปอาศญาสตตาเนี่ยไม่ได้สร้างความดีอะไรเลยแล้วอย่างงี้ต้องก็ดูไปจิตเป็นอย่างนั้นก็ไม่เที่ยงค่ะนะแลอย่ามุ่งเอาตรงนั้นนะไม่ไม่ค่ะถ้ามุ่งไปตรงนั้นบางคนนึกว่าตรงนั้นเป็นนิพพานนิพพานอะไรานาถาพานนั้น อย่างบางคนีเข้าใจผิดร้ายแรงเลยนะว่านิพพานนี่ไม่มีจิตตอนบรรลุมรรคผลไม่มีจิต น, นั่งไปแล้วปุบอย่างเนี้ยบางคนก็นบอกบรรลุแล้วอถ้ามันไม่มีจิตนะมันไม่มีมรรคจิตไม่มีผลอะไรจิตนะไม่มีเจตสิกตอนที่บรรลุมรรคบรรลุผลนะมีเจตสิกตั้งสามสิบหัวดวงเกิดร่วมกับจิตแม้ในขณะนั้นมีทั้งจิตมีทั้งเจตสิกนะส่วนรูปจะปรากฏหรือไม่ไม่สําคัญ บางคนจิตรวมข้ออัปปนาะนะแต่ยังมีรูปอยู่ว่าในขณะนั้นมีครบเลยนะแล้วก็บางคนเนี่ยจิตเข้าอารูปปัจจานนะบนรรลุในอรูปปัจจานอันนั้นไม่มีรูปทัที่บรรลุในอรูปปัจจานนะจะเรียกว่าอุปโตภาควิมุตต์นะใครได้ยินไหมอุปโตภาควิมุตต์ <Okay. S 2> หลุดพ้นจากสทั้งสองด้านเนละหลุดพ้นจากตัวรูปธรรมนนะั้นด้วยการเข้าถึงอรูปปัจจาน หลุอพนจากนามาทรมด้วยวิปัสนาปล่อยรู้จิตระหวางแต่ตรงที่รูปนามหายไปหมดเลยหเหลือแต่ร่างกายนะจิตไม่มีเลยความรู้สึกไม่มีเลยไม่ดีค่ะแต่มันนิ่งนิ่งไปสักสักพักหนึ่งไม่นานนะเจ้าคะแต่ก็กลับมาท้องพองยุบได้เหมือนเดิมออแล้วตอนเห็นท้องพองยุบเนี่ยทําไมมันไปตรงนั้นได้รู้ไหมเพราะมันเพ่งอยู่ อ๋อเจ้าค่ะนั้นไปเพ่งท้องผองยุบน ะ, ะการที่เพ่งท้องผองยุบก็คือการเพ่งรูป เ, เพ่งรูปเมื่อเดินได้ถึงเต็มที่นะก็เข้าชันถึงชั้นที่สี่เป็นอุเบกขาเพราะในชั้นที่สี่นี่แล้วใจเราไม่พอใจไม่สนใจที่จะรับรู้ความรู้สึกจิตจะดับความรู้สึกลงไปตรงนั้นไม่ได้ไม่ได้พัฒนาต่อล้วถ้าไปตัวนั้นนะแล้วอยู่ตัวนี้อยู่กันนานนะ ถ้าไข่ไปเกิดที่นี่เราเกิดนานมากเลยหมดแล้วเหียแม่ชีนี่ตัดตียำปีแล้วพอ่อสามค่ะสมอยู่กับวัดนะหลวงพ่อเจ้าคะ่ะแล้วจิตที่อยากไปนิพพานและพยายามจิตที่อยากจะไปนิพพานและพยายามที่จะทำทุกอย่างสร้างเหตุเพื่อให้เป็นกุศลเพื่อไปนิพพานเนี่ยเป็นกุศลหรืออกุศลเป็นกุศลนะคะ แล้วจะม า, า ก, ไ ป, กไปแล้วมีโทรศัเมื่อเมื่อโทรศัพท์ก็อกุศลสิก็ตามรู้ธรรมดูไปตามสภาวะใช่ไหมเจ้าเอออยากดีน ะ, ะเรียกว่าฉันทะไปก่อนพอขั้นละเอียดนะก็อยากดีสักนิดหนึ่งเรียกว่าโลภะนักศรกษาหลวงพอ่อขาดที่กับกับผมกำลังอยู่ปัจจุบันนี้ไปะว่าเป็นแนวทางที่เขา้าจิตเข้าฐานและ มีจิตตั้งบ้านใหม่ปกติจิตเหมือนตอนนี้ไหมตอนใช้ชีวิตธรรมดากับขณะตอนนี้ครับตอนนี้เป็นยังไงก็สบายดีครับตอนนี้จิตเป็นธรรมชาติไหมหรือว่าเราบังคับไว้ยังรู้สึกมีมีการบังคับและมีการแทรกแซงนะครับงั้นถ้าเราแทรกแซงเรารู้ว่าแทรกแซงอยู่ก็ยังใช้ได้ แต่ถ้าเราจะเดินปัญญานะเราจะเห็นเลยไอ้แทรกแซงเนี่ยเราไม่ได้จงใจแทรกแซงเขาเป็นได้เองอย่ันนี้ยังเดินปัญญาอยู่นะแต่ทั้งว่าทั้งวันเราก็ตรึงความรู้สึกนิ่งอย่างเงี้ยมันจะไม่เดินปัญญาหรอกนะต้องปล่อยมันรู้ตามความเป็นจริงนะไม่มีการแทรกแซงแต่ว่าต้องรักษาสีน่าตรงที่ไม่แทรกแซงเบางทีกิเลสมันแรงนะเราบอกไม่แทรกแซงเลยตามใจกิเลสไปเลยนะ ถ้ากิเลสมันแรงยังไงก็ไม่ให้ผิดศีลห้าจำเป็นที่สุดเลยนะคนทั่วนนี้ไม่มีศีลนะบ้านเมืองถึงเป็นฟืนเป็นไฟอยู่เบียดเบียนกันเต็มไปหมดเลยแต่ใครจะเป็นยังไงก็ช่างเรามีศีลไว้ก่อนเราไปแก้คนอื่นไม่ได้เราพัฒนาตัวเราเองแรกๆเรายังไม่เห็นคุณค่านะแต่พอเราฝึกไปหลายๆปีเราจะรู้เลยมันมีคุณค่าที่สุดเลยคนในโลกวุ่นวายแย่งชิงกันนะ เขารู้สึกว่าเขาแย่งชิงสิ่งที่มีคุณค่าแต่พอเราพาวนาเป็นนานเรารู้เลยมันเหมือนหมายแย่งกระดูกนะไม่มีอะไรไมันแย่งกันอยู่อย่างนั้นนะหาสาระไม่ได้เลยแล้วเรามีศีลมีธรรมไปเรืยนะนึกขึ้นทีไรเราก็อิ่มใจมีความสุขนะดีกว่ากันเนยอะโลกมีแต่ทุกข์นะมิจฉครับใครเห็นบ้างว่าโลกนี้มีแต่ทุกข์ สาธุพระละหันเยอะมากรู้หรื อ, อย่างยังไม่เห็นจริงถ้าเห็นจริงแล้วมันปล่อยเลยเราจะเห็นไนด้ไงความจริงที่พวกเราเห็นก็คือมันสุขบ้างทุกบ้างมันยังเห็นแค่นี้เราไม่ได้เห็นว่าโลกนี้มีแต่ทุกหรอกถ้าเห็นตรงนี้แล้วก็พระละหันแล้วหมดแล้วนี่นะใช่ไหมหมดแล้วไม่จรงแค่นี้ก็พอแล้ว พวกเรารับผ่อนเส้นหน่อยไ ด, ได้ดูเหมือนฟังเทศยาถาวาริวหาปุราปริตปุเรนตีสาครังเอวาเมวาอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปิตังถุมหังคิปเมวาสมิชตุ สัพเพภูเรนตูสังคป่าจันโทปนรโสยาทามนิโชติรโสยาทาสัพพีติโยวิวัตชันตูสัพโรคโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายยโกภวะอาภิวาธนาสีลิสนิจังอุทาปจายโนจัตตาโรโธรมาวัันติอายุวันโนสุขังพะลัง นึกหมทนานะสานิมนต์มาให้เทศการฟังธรรมมาเป็นบุญนะ